س ب ح ا ن الله وبحمله ع د د خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومدار كلماته أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة إخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما و َ م َ ن ا م ن ا ل م ش ر ك ي ن اللهم ف ا a f a t i r a l و ا ت و ا ل أ ر ض عالم الغيب و الشهادة ر ب كل شيء و مالك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي و شر الشيطان و شركه وأن أقتال فعلى نفسي س و ا أو أجره إلى مسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له เหลือมุลกุและเหลืออัลฮัมดุและเขาเป็นคนที่มีควมใล้ชิดทุกสิทุอย่างี่มดุกสิ่งอย่างทุก่งทองทีกส่งทุกสิ่งทุกสิทุกสิ่งทกสิ่งทุกสิ่งทุิุ่งท่ิกุ่กุสุิ ขอคุณอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์ให้เรามีชีวิตอยู่มาถึงชั่วโมงนี้แล้วก็ให้เราใช้ชีวิตอยู่ในเดือนรมนอมฎอนเพราะเราขอ d u าอัลลอฮุมะบัลลิกนาอัลลอฮ์ให้ฉันเนี่ยอยู่ไปถึงเดือนรอมฎอนเถอะอัลลอฮรับ dua เราแล้วฉะนั้เมื่อเดือนรอมฎอนมาเนี่ย ก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนนิสัยต้องเปลี่ยนนิสัยกับเพราะศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่สอนในเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเป็นศาสนาเดียวที่คนรับอิสลามมากที่สุดแล้วก็เป็นศาสนาที่ถูกด่ามากที่สุดพูดงหายเป็นศาสนาเดียวที่มีคนรับอิสลามมากที่สุด และขนาดเดียวกันก็มีคนตำหนิจะว่าดา่าหรือว่าตำหนิ้มากงที่สุดขอบคุณอะล้อที่เราได้มาทบทวนอัลกุรอานมาใช้ชีวิตยอยู่ในเดอรมดอนนี้เป็นความเมตตาของอัลลอ์ทั้งหมดที่เดินมาน้ามาที่มัสยิดได้นี่ไม่ใช่ความเก่งของเราเลยนะทนี่เตือนตัวผมเองแตตัวพี่น้องอะต้องนึก นี่เป็นความเมตตาเรื่อว่านี้อาที่อัลลอฮฺประทานให้กับเราในยเยอะมากนับไม่ท้วนบอ mm hmm. uh อินตะอุดูนีอามัตัลลอฮิลาตุซุฮานี่ยกูอานอายะนึงนะแต่ากท่านจะนับความโปรดปรานที่อัลลอฮฺประทานให้กับท่านแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยให้นับไม่หมดไม่รู้ว่าจะนับยังไงมันเยอะแต่ขอบคุณน้อยใช่หร mm ือไม่ใช่ mm hmm. ทรอยต์ต่ออัลลอฮ์เนี่ยไม่เชื่อบางอัลลอฮ์เนี่ยวัดีกับอัลลอฮ์ดีกับแต่อัลลอฮ์ไม่ทำลายที่ไม่ทำลายเนี่ยเพราะอัลลอฮ์กำหนดเอาไว้ก่อนล่วงหน้ามาก่อนแล้วมาอาทตย์ที่แล้วไม่เลยล่ะสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยไหมกําหนดมาก่อนแล้วว่าฉันเนี่ยจะไม่ทําลายคนที่ด่าอัลลอฮ์ด่าอิสลามด่าคุรานด่านบี เรามาทำลายครับให้เพลินกว่าเก่าอีกให้สนุกกว่าเก่าอีกแล้วก็เป็นยังไง ร, รู้เปล่าพอวิญญาณมาถึงเขอหอยเท่านั้นแหละอียาอัลลอฮ์ขอโทษเถอะทิงเฟืองลวนว่าไงนะอามันต์เฟองนะเป็นคนที่ตั้งตัวเป็นพระเจ้าเลยอนะ่ะ ไปรอดได้เนี่เล่าให้ฟังไม่เชื่อไม่มีปัญหาเพราะอิสลามมันได้บังคับใครให้ต้องเชื่อฉันนะแต่ลองให้ปัญญามาตอนมีปัญญานี่แหละต้องใช้แล้วอืใช้ปัญญาหาเงินอย่างเดียวเองไปไม่รอดใช้ปัญญาหาชื่อเสียงไปไม่รอดฉะนั้นมีปัญญา นึกถึงคุรานนึกถึงสุนนะนบีนึกถึงอัลลอฮ์นึกถึงรอซูลเยอะๆและวไปรอครับวันนี้มาอายะที่ห้าสิบห้าอายะนี้จบชูราะคามเมมซาดดารือุสิลัดนะครับอาทิตย์หน้าขึ้นชูราะชูลาะใหม่ขอเท้าความนะครับของอายะที่แล้วนะครับนิดหน่อยๆนะครับพี่น้อง อาทิตย์ที่แล้วเนี่ย <c oughs> คุรานอธิบายให้เราฟังบอกว่าละยัสมุลอินซานยัสอ์เนี่แปลว่าไม่เหนื่อยหรือไม่เบื่ออินซานมนุษย์มนุษย์ทั้งโลกนี่แหละเนี่ยลอนเล่ามนุษย์เนี่ยไม่เหนื่อย มินดวอาอิลคอยเรต่อการขอความดีเพิ่มไอ้มีอยู่แล้วเนี่ยเอาอีกนี่นิสัยมนุษย์เดิมๆเป็นแบบนี้มีอยู่คนเดียวครับซ า, าบานบีกลุ่มซวบา น, นาบีฉันไม่เอาแล้วเอาแค่นี้พอแล้วคนที่ขอความดีเพิ่มนะ่ะ หนึ่งขอเงินขอชื่อเสียงขอตำแหน่งขอโ น, น่นขอนีย่ยามได้เพิ่มเมา่อไนี่นิสัยมนุษย์เดิมๆพอยังไม่พอกับเท่าไรก็ไม่พอใช่ไหม <c oughs> นี่เตือนนะเราเป็นอย่างนี้ไหมอ่าถ้าเราไม่พอก็ไม่ต่างอะไรกับฟารโหรห์ใช่ไหมใช่ถ้าเราต้องพอบ้างาพอแล้วฮามดลิลาห์พอแล้วแค่นี้ฮามดิลิลาห์ แล้วก็วัยละวัยมัสฮุชัรรเมื่อความทุกขมาประสบกับเขาความลำบากฟายอุสุนพวกเขาเนี่ยท้อถอยหมดแรงหมดกำลังใช่ไหมไม่ใช่เรื่องจริงกับกอ น, นตุนแปลว่าหมดอะไรฉะนั้นกุรานนะสั่งมุสลิมทุกคนเวลาเกิดมีความทุกเนี่ยห้ามท้อถอยห้าม ข่าตัวตายต้องนึกว่า น, นี่เป็นการทดสอบที่มาจากอัลลอฮ์นบีถูกทดสอบเปล่าโอ้โหไปสอนสาศาสนางานดีที่สุดคือเมืองต อ, อีฟถูกสามเรื่องใช่ไหมถูกไล่ถูกดา่าแล้วก็ถูกควา้างโดยก้อนหินน บ, บีแก้แค้นเปล่าเปล่านี่คืาตัวอย่างที่เรานึกถึงน บ, บีนึกถึงตรงนี้ นึกถึงน้ำมาของท่านด้วยนึกถึงการอดทนของท่านด้วยนึกให้หมดชีวิตของท่านเป็นแบบอย่างของพวกเราวันนี้จนกว่าจะถึงวันเตียมากกวเอาวันนี้ม า, ายาที่ห้าสิบนะครับวาลอินอาซานาฮูร์อ์มาตัมมินนามิมบัดดิดรรอมสซัด لا يقول ن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسن فلن ن ب ئ أن الذين كفروا بما عملوا ولا َ نذقنهم من ِ عذاب َ ولي <ت ص في ق> الحمد لله الله عيان ิสันดี ولا إن أذقناه َ رحمة ََْ منا ِ من بعد ِ ض ر َّ م َ س ت ْ ل َ يقول ََُ ن ه ا ذل وما أظن سعة قائمة ولا ل ر ج ع ت إلى ربي إن لي عنده للحسن فلننبئ أن الذين كفروا بما عملوا ว่าาจะดีกับนนุ่มในอาซาบินอัลฮัมดุลลอฮ์ดีจริงจริงมาดูสับครับ <c oughs> <c oughs> อาซาบนาปว่าเราให้เขาเลิ้มให้เขาชิมทมาลพูดชิมกัน <c oughs> นี่ความสุขความสบายที่เราได้รับนี่แค่ลิ้มรสเจอจริงจรินูน่นตายไปแล้วฟื้นขึ้นมาใหม่อยู่ในสวรรค์นั่นแหละเจอจริงอั น, นี้มันแค่อะไรนะหนังตัวอย่างเพราะว่าหนังตัวอย่างเข้าใจอ๋อหนังตัวอย่างอาจักนาะหู เราให้เขาลิ้มหรือชิมรัชมะแปลว่าความเมตตามิมบะดีหลังจากดรอความทุกข์ยากหรือความลำบากมัสซัทุมัสซาเดิมแปลว่าสัมผัสหรือแตะแต่ตรงนี้แปลว่าได้เกิดขึ้นแก่เขาลายากูลันนาะ แน่นอนพวกเขาจะพูดว่าฮ า, าลาลีนี่เป็นความนี่เป็นขมฉัน <c oughs> นี่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังนิสัยเดิมของมนุษย์มีอยู่สามรายการอยู่ในอายะนี้เป็นนิสัยที่เลวในตับซิด หลายๆเล่มเขาว่าอักบะเลวที่สุดนิสัยสาประการอยู่ในอายะนี้เนี่ยอย่านำเอามาใชา้เพราะมันอักบะเลวที่สุด <c oughs> เรื่องที่หนึ่ง <c oughs> เรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือเมื่อเวลาเราให้พวกเขาลิ้มรสความเมตตาหลังจากที่เขาได้รับความลำบากมา เช่นเคยป่วยแล้วหายอย่างไฮรีเราเนี่ยที่อาซาตอนสุโบนะนึ่งเมื่อก่อนแล้วก็ชีวิตเขาอร่อยนะเดี๋ยวนี้กับเนื้อกับตัวเป็นคนดีหลังจากป่วยเกือบตายตัวอย่างคนเดียววมาม า, มาสุราบ่อยเราก็เหมือนกันเคยถูก ลำบากไหมถูกขึ้นสอนอย่างเงี้ยแล้วก็ชนะมาทำตัวยังไงมันต้องนึกมีปัญหาเดือดร้อนมาแล้วอลัลลอฮ์มาแก้ให้แต่ส่วนใหยายไม่นึกถึง อ, อ, นะอัลลอ์น่ะอ่ดูสัดูกรานนะมสซัชฮุได้มาเกิดขึ้นแกเขาลายากูลา น, นะ พวกเขาจะกล่าวว่าคือแน่นอนลั้นหน้าเนี่ยเขาจะต้องพูดอย่างนี้อย่างแน่นอนว่าฮาซาลีนี่เป็นความสามารถของฉันนี่นิสัยมนุษย์ใช่ไหมใช่ฉันแก้เองฉันวิ่งหาทนายเองฉันวางแผนเองฉันจบเป็น ญ, ญาโทรมาจาก ต่างประเทศครับโอ้คุยใหญ่เลยคุยคุยพิษหมดเลยพิษหมดเลยฉะนั้นเวลามนุษย์เนี่ยพบกับความลำบากแล้วต่อมาเขาพบกับความสบายอย่าคุยนะบอกว่าฉันนี่ นี่ความสามารถของฉันนี่นิสยัยนี่เป็นนิสัยที่เร็วที่สุดอักบะในภาษาตบสีเรื่องที่สองอะไรบ้างวามาอาจุนอุสาอาตะกออิมากออิม่านี่แปลว่าเกิดขึ้นอซสาหมายถึงวันอวสานวันเตียมะเดิมสาแปลว่านาฬิกานี่สาแปลว่านาฬิกา แต่ในตำสิทธิ์อธิบายว่าวันติยาม ะ, ะวามาอาซุนฉันไม่นึกเชื่อว่าวันติยามะมีจริงนี่เป็นคำพูดที่เป็นความเชื่อที่อักบะเลวที่สุด น, นี่มันจะตาหนิใครคนมีสมองคิดคิดเองโอ้ย พอล้อ ด, ด่าฉันหรือเปล่าเปล่าเล่าให้ฟังแล้วเองเจอไหมเจอวันเกียร์มามีไม่มีจริงครับตายแล้วทุกคนฟื้นหมดจริงครับฉะนั้นใครที่ไม่อะไรนะไม่นึกเชื่อว่ามีวันเกียร์มานี่เป็นความผิดที่ร้ายแรงแต่อล้อลงลงโทษไหมไม่ลงครับเอาอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปเลย อ, อยู่ไป เอาบ้านใหญ่ๆไปเอารถไปเอาเงินไปเอาไปเลยมีปัญญาแล้วมีสมองแล้วไม่อ่านคุรันเรื่องของเอง <c oughs> เรื่องที่สองที่เร็วที่สุดเรื่องที่สามวาเลอรุจตุถ้าหากฉันเนี่ยถูกสมกลับไปถ้านะไม่เชื่อนะถ้าฉันเนี่ยอะบังเอิญ ฉันนี่ตายแล้วต้องฟื้นไอ้ฟื้นเนี่ยกลับไปหาอัลลอฮ์เนี่ยขอชาภาษาว่าว่าละอิรุญะตุถ้าฉันนี่นะตายไปแล้วฟื้นขึ้นมาแล้วกลับไปหาอัลลอฮ์ที่ผู้มหัศจรรอิลารอบบียังประพูอภัยบาปของฉันอินนาลีแท้จริงฉันอินดนะฮูนะอัลลอฮ์ลัลเฮสนาฉันจะมีสภาพที่ดียิ่งดีกว่าพมคุณแขกเลยอีก อ๋อหรอกนี่นภาษานี้ทีรเรวที่สุดสามเรื่องในายานีอย่าทําพอให้คนกาเฟตมุชลิมทำไงไปเหอะเราต้องไม่ทําแค่เรื่องเรื่อ ง, เ ร, อ ง, เ, รองเรื่องแรกเนี่ยมุสลิมเราเยอะนะมุสลิมเยอะนะที่ทําอะไรพลาดพลาดเรื่องนี้นะตอนทุกอัลลอฮ์อัลลอฮ์จ้า พระจ้าช่วยหน่อยเถอะลุกขึ้นนมัสกายุดอลัลลอฮ์จะช่วยหน่อยพออัลลอฮ์ช่วยแล้วคุยงคุยที่ร้านกาแฟกูนแน่ว่านี่พอความสามารถของของฉันนะพ่อมมนได้ยุ่งเลยเอาเงินให้แค่ล้านเดียวฉันแก้ปัญหาเองอะ่ะเอ็งพูดผิดยังไงอเลยเนี่ยแค่นั้นทั้งหมดนั้นอลัลลอฮ์ให้คุณสำเร็จมาวันนี้เรียนหนังสือจบ สุขภาพแข็งแรงเคาจะรับความลำบากมาวันนี้อัลลอฮให้เคลียร์ปัญหาหมดแล้วหฮัมดูลิลเลยทั้งหมดนี้มาจากไหนมีนอลล่าอย่าพูดว่าฮาซาลีนี่เป็นความสามารถของฉันภาษานี่อย่าออกมาจากปากพูดศรัทธาต่ออัลลอฮพี่ต้องจำเลยเอาไปอ่านในทัยุดนะอ่านแล้วกนนึก อ่นแล้วก็นึกทำนี่เลยเรื่องที่สองวามาอัลุนุสอาตากอมและฉันไม่นึกเชื่อว่ายามอวสานหรือวันเกียมานั้นจะเกิดขึ้นจริงนี่ก็แลว้วคนไม่เชื่อวันเกียรมานี่มทำอะไรได้ทุกอย่างใช่เลยไม่ใช่ไม่เชื่อวันเกียมะอย่างเดียวเนี่ยไม่มีคนมาคิดบัญชีฉัน ถ้าเชื่อวันกิยามาในใจมนุษย์ <Hey. S 1> นมาศตะหัตยุดรางวัลอยู่ที่ไหนยังไม่ได้รับเลยนะเดือนละมาดอนมานในถือมาแล้วเนี่ยเจ็ดสิบปีแนละ้วรางวัลอยู่ที่ไหนยังไม่ได้รับอลัลลอฮฺจะให้ครบสมบูรณ์คุณเข้าสวรรค์นู่นะจะตอบแทนรางวัลให้อ๋อ oh, ถึงจะเข้าใจนี่เป็นความเชื่อเนี่ยสบายใจนะ นี่ถ้าจเช coffee, neither, ื่อแบบคนคาเฟ่เนหนื่อยนะนี่เนื่อยนะไม่เชื่อวันววันสิ้นโลกมีเนือยเลยไม่เนื่อยเนื่อยอะฉะนั้นมือใครสาวแล้วยาวสาวได้สาวเอาใช่ไหมนี่อาญานีนะถ้าไม่เชื่ออาญานีอย่างเดียวเนี่ยทำให้เหนื่อยบนโดนยาเนี่ยเราก็วิ่งหาก็สิแข่งกันแข่งกันไปทำไมไม่แข่งกันมาสุราล่ะทำไมไม่แข่งกันอาเรียนเรียนเรียนเรียนเรียตั้มซีล่ะ มันต้องแข่งกันในเรื่องคุณธรรมความดีให้อภัยบริจาคยิ้มกับคนจะไหมให้อภัยกับคนไปแข่งในเรื่องนู้นแต่ไปแข่งในเรื่องวัตถุไปแข่งทำไมเพราะวัตถุนั้นมันก็หมดอายุเอาต่อมาครับวัลลัยโรจยาตุยลาโรบีถ้าหากฉันเนี่ยถูทรงกลับไปมีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งในโลกอาคีรัตอินนาลีอินดะฮูลัลฮุสนาแท้จริง การกลับของฉันนะอัลละฮ์เนี่ยนะฉันจะอยู่ในสภาพที่ลัลฮุสนาดียิ่งเลย beautiful ไม่มีอุปสรรคมีความเบลอนโรนรกไม่มีกกหกอืมคิดผิดครับเอาต่อมาครับฟาลานุนา บ, บิอันนาลาลีนากาฟาลูบิมาอามิลูดังนั้น เราจะแจ้งอันนี้เล่าแล้วจะเองคิดมาสามเรื่องผิดหมนเลยนะฟาเลนูนาบิอันนลาซีนากฟรูแท้ แ, แจริงเราจะอะไรนะจะแจ้งผู้ที่กาฟรูผู้ติปัฏิเสธบีมาอม่รู้ที่พวกเขาได้ประกอบเอาไว้หรือคิดเอาไว้คุณคิดผิดฉันก็ให้คุณอยู่สบาย ใช่ไหมคิดผิดเอะให้อยู่สบายไหมให้อยู่สบายแล้วก็มีนูน่นมีนี่เต็มไปหมดเลยเองคิดผิดแต่อลัลลอฮจะคิดบัญชีแจ้งให้คุณรู้ว่าคุณทำผิดเมื่อไราครับแค่ความตายมาถึงกอหอยเท่านั้นแหละเจอแลยเอาต่อมาครับวาลาโนซีกอนอาฮุมและเราจะให้พวกเขาลิ้มอลัลลอ ตอนตายในพิรุธครับรูเ้เปล่าคนที่ไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอารอซูลไม่เอาอิสลามเนี่ยตอนตายเนี่ยมลายิกามาในสภาพหนึ่งตัวเหม็นมาเอามาถึงวิญญาณนะครับตาเรามองไม่เห็นน่ะในนะร้านนะคุณอ่านอธิบายฟังมาถึงมาครูเอาวิญญาณออกมาวิญญาณใครไม่อยากจะออกเลยมันเจอมลายิกาเอาออกมาจะตบตบที่ใบหน้าตบที่กลางหลัง แล้วก็ครูว่าคุณจะต้องไปนรกหนูซีเอละเ่าว่าหนูซิเราจะให้คุณลิ้มชิมอาซาเป็นการลงโทษกอริรุนอันแข็งกร้าวครับแล้วก็ไปเจอจริงๆตายไปแล้วอยู่ในกุโบถูกหรือไม่ถูกถูกอาซาบอีกมาเลาิกามาเล่นงานอีกพอฟื้นขึ้นมาเจอนรกอีกแล้วเอาทำไม แต่ดุนยาเนี่ยพีน้องมันอร่อยจริงๆคนถ้าไม่เรียนศาสนาไม่เรียนกุรอานหลงดุนยาหมดมุสลิมเรามีกี่คนแล้วอ่ะที่ไม่เข้าสู่เราเลยมีไหมมีครับไม่แตกกุรอานเลยมีไหมมีก็อยู่เหมือนคนกาเฟน่นเยอะเอาลองให้อยู่ไปเลยเอาไปเลยเอาไปมีกี่คนไประเดี๋ยมาต้องแต่งฮะเพลินไหมล่ะโอ้โหนี่เอาลองให้กับกูไง ครูนี่หอหน่าดูอะไรจีบใครคนเดยเขาทดสอบจิตใจคุณต่างหากแล้วลืมนึกลืมนึกภาษานี่ด้ว่าฉันแน่นี่เตือนั้ยเตือนครับสัวล้วมาสามรายการนะอาญานี้สามรายการอย่าทำหนึ่งอย่าพูดว่านี่เป็นความสามารถของฉันถ้าทำอะไรสำเร็จข้อที่สองฉัน ไม่นึกเชื่อว่าวานปียามหามีอันนี้ก็ผิดหมดเลยนะเรื่องที่สมมนุษย์นี่ถ้าห่างันกลับไปมีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งในโลกอาคือเราชันก็จะดีกว่ามุฮัมมัดพูดง่ายๆฉันก็จะดีกับบรรดาซอาบ์ชันก็จะดีกับบรรดามุสลิมทั้งหมดทั้งโลกนั่นแหละนี่คิดแบบนี้เลยนะครับอย่างนี้เป็นต้นในคุณอ่านอธิบายอย่างนี้นะครับนิสัยมนุษย์เป็นอย่างนี้ กัลลาอิ น, นัลอินซานาลายาต อ, อราหุสตะนามีสองอายะนะสุราอัลักแท้จริงมนุษย์เนี่ยเนรคุณต่อโลกโดยไม่รู้สึกตัวให้เงินมาเนรคุณมีเมียสวยมีเนรคุณมีบ้านใหญ่เนรคุณมีรถขับเนรคุณมีความรู้นเนรคุณมนาอามุลฮัสันไปอเมริกาไปสอนคน เองอะถ้าหาสอนคุณอินเดียหนะนะอยูนอเมริกาเท่าไหร่อยู่นอังกฤษเท่าไหร่คุณอินเดียอยู่ประทั่วโลกหมดเลยไปสอนเองถ้ามาอยู่อเมริกามาอยู่อังกฤษเพื่อหาเงินอย่างเดียวคารอมอยู่เพื่อหาเงินนะชเป็ น, นคุณนะมันต้องอยู่ให้อัลลอฮฺพอใจใคุณเพราะดวงชะโรนเนี่ยอินนัสซาลาตี วันอุสรกิวามหยายาเยาว์มามาติลิลลัคยูรับบินาอัลเลมแท้จริงการมีชีวิตอยู่ของฉันการตายของฉันการนะหมาดของฉันการมีชีวิตอยู่24ชั่วโมงนั้นอัลลอฮ์ต้องทอใจต้องอ่นาอนอุทานในละหมาดก่อนนะมาดก่อนตอนตะกรีใช่ไหมแล้วอ่านทำไมอ่ะท่านนี่เตือนกันนะครับเอาต่อมาครับอายาที่5้ و إ ِ و َ إ ذ ا أنعمنا على الإنسان أعرب ونا أ, إ, أ ب ِ ج ن ب ه وإذا م س ّ ه الشر ف ُ و د ُ ع ا ء عريبه الحمد لله มีสายมนุษย์เดิม วِ่ ذ َ ا ยอ ن ْ عمنا على الإنسان أعرض وأنا ب ِ ج ب ا ن ِ به وإذا م س ّ ه الشر فلو د ع, ع ا ْ عريض الله أكبر พี่น้องศึกษาสัพท์ศิลธรรมนะท่องดูนะ อันงามนาแต่ว่าเราได้ประทานความโปรดปรานแงมต์เนี่ยอันอามต์อะไรเหิมนีอันงามนาศรัทธาทีนันอันมต์อะไรเหี้มเราได้ประทานความโปรดปรานให้ให้ใครครับอาราลอินซานให้กับมนุษย์ในตัสซีธเนี่ยอธิบายแปลว่ามนุษย์เนี่ยกลุ่มไหนมาถึงคนกาเฟ ทำว่ามนุษย์ที่นี่คนกาเฟ่ไม่ใช่มุสลิมมุสลิมในวางตัวแบบนี้หรอกมุสลิมเนี่ยเอาล้อรักแต่รับเนี่ยมาร์มานี่ห น, น้อบนถ่อมตนขอบคุณเอาล้อใช่หรือไม่ใช่แต่คนกาเฟ่ทำตรงกันขน้ามเนี่ยเอาล้อเล่าหนะังไว้จะ อ, อ, อ, ล อ, ลอันงามนะอาลัยอินซร และเมื่อเราได้ประทานความโปรดปานแกมนุษย์วงเล็บขนกาเฟกคนมุนาฟิกคนกาฟิลินคนมุชซิลีกินญาตินาบีนนั่นแหละมัน <c oughs> คนมากการ น, นู่นใช่ไหมวันนี้เข้าไหมพูดแรงก็ไม่ได้เดี๋ยวไอ้ไอ้เพชรทองด่าเองอ้าร อ, อ, อรออ้ารอรอแปลว่าเขาผินหลังให้ อัลลอฮฺอัลเบบลาได้รับนื้อธรรมพิลังนะให้อัลลอฮว่านาอาเลี่ยงข้างหรือออกห่างสับสองคำนะอาโรดฮหันหลังนาอาเลี do, a, a, a, ่ยงข้างนะครับญาเนบินแปลว่าสีข้างนาอาแปลว่าออกห่างเนาะฮนาอาแปออกห่างญาเนบสีข้าง อัลลอฮ์พูดสองครั้งนะอ้าวราบอกเขาผินหลังให้นาออกห่างบิญานิสีข้างของเขาเอาสีข้างของเขานั้นออกห่างอัลลอฮ์แล้วก็ผินหลังให้กับอัลลอฮ์เราพอใจเป่าอัลลอฮ์ไม่พอใจแต่ไม่ทําลาย ไม่เอาอัลลอฮ์บนดุญยานี้อัลลอฮ์ทำลายไหมไม่ทำลายเพราะอัลลอ์วางกฎเอาไว้แล้วว่าไม่ทำลายใครทาเมตตากระสงค์นบีมามาสอนเปลี่ยนซะนาะนิสัยนะ่ะเปลี่ยนซะเปลี่ยนซะเปลี่ยนซะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเลยหมดอัลลอฮ์บออคิดเรื่องฟาโรยอย่างเดียวอัลล์ Allah, ให้ ให้ฟาโรห์เรา เ, เป็นกษัตริย์เป็นคิงสองมีทหารรักษาพระองค์เนี่ยสองมืนห้าพันคนในตับเซอธิบายอย่างนี้เลยนะแล้วก็มีพระราชวังบ้านใหญ่โตรออยู่ริมแม่น้ำแม่น้ในใ น, ใ, นในในอียิปต์นู่นนะอัลลอฮ์ให้ถึงขนาดนี้เนี่ยเวลาอัลลอฮ์ส่งอิสลามมาผ่านนบีมูซามันเป็นยังไง มันสั่งจับนบีมูซาจะฆ่านาบีมูซามูซาต้องหนีใช่ไหมไปอยู่ไปเลี้ยงแพะกี่ปีสิบ ป, ปีแล่ได้ผู้หิโอ้ประวัติยาวนี่เล่าให้ฟังเ ล, เล็กน้อยจะกนั้นใครที่ก็ตามนะครับเมื่อเอาลอดได้ประทานความโปรดปรานให้แกเขาแล้วก็เขาสะบัดหรือว่าหันหลังให้เอาสีข้างออกออกห่าง ออกห่างใครหรือมออกห่างอัลละฮ์นี่นิสัยเดิมๆแบบนี้ดีหรือไม่ดีไม่ดีแต่อัลละฮ์พูดภาษาพระว่าอิเดอันอัมนาฮะลิอินซานอักรอะอวานาบิญานิบิอัลลอฮฺอักบัตอัสสะสามคำนี่ไปใช่หรืหันข้างออกห่างพินหลังเลี้ยวไหม แล้วสุดๆเลยนะลอลาั o, หันหลังให้กับใครก็ตามแต่ไม่ไม่บาปแต่หันหลังให้อลลอห์เองบาป ท, าทันทีครับแต่บาปแล้วอลลอห์ไม่รีบลงโทษเราวิ่งเวลาเอาไว้ให้เรียนศาสนาเอาเรียนามาฟังตับสิทดันไม่ฟังอีกโอ้โหไปกันใหญ่เป็นการสะสมความชั่วให้กับตัวเองนี่ตับสิทธิบาตแบบนี้เลยครับ ต่อมาครับว่าอีกามาสัมาสอาหชัลล์มัสซาแปลว่าเกิดขึ้นหรือสัมผัสอชัลร์ความทุกข์ทุกข์กระเพยหรือความชั่วของที่เราไม่อยากได้นะพี่น้องรูดั อ, อินดูแปลว่าเป็นเจ้าของดัวอินวิงวอนอ๋อดัวอินในแหละขอเราจาบางทีก็ดัวอิผิดอีก ไปขอจากสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ใช่หรือไม่ใช่ไปหาโตตะเกียวนู่นน่ะเอาโตตะเกียมเป็นรุลฟามาเป็นอะไรนะเป็นตัวเชื่อมอ่าเป็นตัวเชื่อม อ, อัลลอฮ์โตตะเกียจจะช่วยคุยกับอัลลอฮ์ให้ฉันหน่อยให้ช่วยฉันหน่อยไปหาโตตะเกียร์ให้โตตะเกียร์เป็นสื่ออ่านี่ยไอ้สื่อสือสือนี่เราช่วยเด็กหมดเลยนะอิสลามห้ามเด็กขาดแค่นั้นมีปัญหาให้ขอตรงกับอัลลอฮ์เลยไม่ต้องผ่านสื่อ แต่ถ้าพ่อยังอยู่พ่อจะย่อจากช่วยเขาเอาบให้ลูกด้วยอย่างนี้มันได้ไม่มีปัญหาแต่หาตัวมามอิมา ม, ม, มจะช่วยขออาบให้จ๋าหน่อยอย่างนี้ไม่มีปัญหาให้คนอื่นช่วยขอด้วยให้อย่างนี้ได้ไม่มีปัญหานะครับวัรุมัสหุสรุและเมื่อความทุกข์ความลาบากเกิดขึ้นแกเขาดวยอินรูด้วยอินเขาวิงวอน อารีดินแปลว่ายืดยาวจริงใช้ไหมจริงอัลลอฮฺอาตุลลอดูขึ้นนมาแต่ฮะยุดธรรมดาไม่ค่อยได้ขึ้นเท่าไหร่มีละคนโทรศัพท์มาเล่าให้ผมฟังเพื่อลำบากลำบากพูวบอให้นมาถัแล้วก็แน่น้ำให้นมาดนะ ไม่ใช่นมามา้าเวลาให้วเวลาจําเป็นนะ่ะไอ้นมามาพิเศษเนี่ยหรือขึ้นนมาตะฮันยุดตอนกลางคืนเนี่ยช่วยยุนอนานะรองไห้ด้วยขอมาต่อร้องแล้วนอมน้อมถ่อมตนซบริจาคเยอะๆหน่อยชอลวลเราปัญหาเราแก้ให้คนนี้หลายคนเนี่ยพอเราแก้ให้แล้วเราก็แ <laughs> เล่นงานอัล้อยเองกันนี่อายาธรรมนะเด็ดขาดนะต้องให้น้องๆมากกว่าเก่าเอาต่อมาครับอายาที่52าสิกุลอรอไยตุมอิงกกนามินอินดิลลาซุมมะกาฟารตุมบี มัِอัลลูมิมันหัวฟีชควาคิมบะยิดคุ م อะราอิตุมแินแคนามินไงน์ดิลลาห์ซุมมากาฟัรตุมบิห์มันอัลลูมิมันหัวฟีชควาคิมบะยิด <Allah. c oughs> อัลลอฮฺอักบอตยานี้ต้องการจะเตือนบอกว่าอยูกับอัลลอ์นะปลอดภัยที่สุดและทุกสิ่งทุกอย่างมาจากอัลลอ์ทั้งหมดอะไรที่มีปัญหาเกิดขึ้นกับตัวเราก็มาจากอัลลอ์แล้วก็สนึกด้วยผู้ทำผิดหรือเปล่าไม่ใช่โทษอัลลอ์ทุเรื่อง <c oughs> แต่อัลลวางกดไว้ถ้าเองวางตัวอย่างนี้ ผนจะออกอย่างนี้ต้องนึกครับคุลมุฮัมมัดเออจงกล่าวอรารอไอตุมท่านเนี่ยลองสังเกตดูอรารอไอตุาบอกเคยสังเกตไหมเคยใช้ความคิดไหมเคยพิจารณาไหมลองสังเกตดูอิงก้านะี ถ้าหากมันมิเอนดิละมาจาก Allah ม, มาจาก Qur'an นมาจาก a l ล a h หรือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวคุณเนี่ยมาจากใครมาจาก a ล l a h เบอร์เลยมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยมาจาก Allah ทั้งหมดหรือว่าอธิบายม า, าคือ q u r นกุ u r a n ที่เราถือก็อยู่เนี่ยมาจากใครมาจาก Allah ถ้ามันมาจากอัลลอ์จริงๆแล้วก็ซุมมากับฟาตุมแล้วคุณปฏิเสธมันเห็นไหมแต่วันนี้คุณอ่านเนี่ยมาอย่างมาแล้วหนึ่งพปีคนปฏิเสกุรอ่านเยอะไหมเห็นอย่างครับหน้าที่ของพวกเราวันนี้นะช่วยกันเผยแพร่ อ, อิสลาม ช่วยกันเผยแพ่เป็นงานที่ประเสริฐที่สุดให้คนอ่านกุรานออกหรืออธิบายกุรานดึงจากกุรานไปอธิบายก็ฟังเป็นงานที่ประเสริฐที่สุดดูกุรานนะกุลอร่นะอรยตุมมุฮัมมัดจงกล่าวเถิดให้น บ, บีพูดพูดต่อประชาชนในนครมะกราน ถ้าท่านลองคิดดูถ้าหากุรอานเนี่ยมาจากอัลลอฮ์จริงๆซุมมากัฟรตุมบีและสูเจ้าปฏิเสธอัลกุรอานคือคำสอนของอัลลอฮ์หรือแนวทางหนทางที่มาจากอัลลอฮ์ซึ่งเป็นทางนำเป็นชิฟาเป็นยารักษาโรค อาชิฟาเนี่ยอธิบายแล้วเนี่ยมรักษาโรคอะไรโรคมนุษย์จะมีสองโรคโรคป่วยภายนอกต้องไปโรงพยาบาลป่วยภายในเนี่ยไปหาหมอนานาประสาไม่ได้เขาจะพูดอ่านโรคชิริกโรคอวัดีโรคตะกำ บ, บุตโรคขี้เหนียวโรคไม่เชื่อวันเจียว ม, มาก รักษาหมอโรงพยาบาลไหนก็ไม่ได้บำรุงราชก่อรักษาไม่ได้ต้องรักษาด้วยอ่านอุรานแล้วก็นอ้นอมน้อมทอมตนต่ออัลลอห์สุาแตลาลรักษาได้ครับสบายใจไหมแยกแยะออกใช่ไห ม, โ อ, ไหมโอ้ใจเข้าใจแล้วอิสลามเป็นอย่างนี้เองนะลับนินละมาต่อมาครับคนที่ปฏิเสธ อ, อุราฮันทั้งทั้งุรานมาจากอัลลอ ถ้าคุณปฏิเสธเอาเราถามมันเอาบอลลูมันแปลว่าใครเล่าเอาบอลลูแปลว่าหลงทางที่สุดใครเล่าจะหลงทางที่สุดอ๋อเนี่ก็ะชากเลาใช้ภ า, า, า, าษาดีนะเอาบอลล่คนเนี่ยหลงทางที่สุดไม่มีใครแล้ว เท่ากับคุณนี่แหละหลงทางที่สุดแต่หลงทางเนี่ยอลัลลอฮให้เงินเอาไปเลยให้บ้านเอาไปเลยให้ตำแหน่งการงานให้นู้นให้นี่เอาไปเลยดุจยาหมดเลยลุล้วนเลยนะแล้วก็เพลินไหมเพลินนั่นคุณกำลังหลงทางแบบไม่รู้สึกตัวอันกระอ้ า, านี้แต่ขอคิดมันอาบลลมันอาบลล ใครเล่าจะหลงมากขึ้นยิ่งไปกว่า <DVD> ฟีซิโกกมิมันหัวฟีซิโกแล้วคุณเนี่ยอยู่ในฐานะอะไรบ้างซิโกอยู่บนดวงยานี้อยู่ในฐานะแตกแย่เนอลองเล่านะคุณเนี่ยแตกแย่หรือไม่แตกกับใครแตกกับอัลลอ แต่กับอัลกุรอานแต่กับสุนทรนาบีเอาดุนยาอย่างเดียวจเจริญดุนยาความตายมาถึงคอหอยเมื่หร่จะรู้สึกอัลลอฮ์อียาฉันได้พลาดไปแล้วอัลลอฮ์จะจ็ดตัวได้ไหมขนาดขอร้องนาะงมาเลก้าขอร้องคนเนี่ยขอร้องมาเลกาช่วยแจ้องอัลลอฮ์หน่อยฉันอยากจะกลับมาแก้ตัวมนนักข า, าว่า ก็ออกมาจากดุญยาแป๊บๆไม่จะขอกลับไปแล้วเหรอเพิ่งรู้ว่าโลกดุญยามาเช่นโลกแห่งการสแสวงหาดุญยาโลกแห่งการทำงานาศาสนาไปรู้ตอนก็อหอยความตามาถึงก็หอยในอายะอื่นมีครับเพราะฉะนั้นอายะนี้เตือนแต่ใครหนึ่งเป็นคนหลงสุด อ, อบั้นล่ะใช่ไหมซ้อมฟีสฟิก็อยู่ในความไร้นะ แตกแยกแตกแยกเนี่ยใบยอัลกอรีบอ่านูกุรานใบไกลลิบเลยขนาดไกลลิบขนาดนี้อลัลลอฮฺยังให้บ้านเลยให้ภรรยาเลยให้รถเลยให้โนนให้ น, น, หนี้เอาไปให้เพลิดกับดุนยาเพื่อให้เอง็งหลงศาสนาหลงดุลยาแบบไกลฤทธไปเลยเรียกเท่าไรมาก็ไม่มาแล้วส่งคนไปถึงบ้านยังดา่าเขาอีก อย่างนี้เป็นต้นนี่คุร์อ่านเตือนเรานะพี่น้องตกลงว่าคนที่หลงหลงทางที่สุดนะก็คือคนที่อะไรนะหันหลังให้กับอัลกุรอานหันหลังให้กับอัลลอฮ์ให้กับรอซูลของอัลลอฮ์ให้กับศาสนาของ AH. อนนัลลอฮ์เดือนอมาดอนนานี่เตือนเตือนสติเยอะนะอาที น, นี้อาหารละศิลอดของมัสยิดอันวาลิซูลนะเนี่ยเราขอวัลลภัน ใครจะบริจาคกันนะวัละพันมาละทอดที่มัสยิดได้ประมาณพันบาทตอนนี้ได้มาห้าพันแล้ว อ, อับานี่อแต่เรื่องการบริจาคเล็กหน้อยๆเอาต่อมาอายะที่ห้าสิบสามอายะนี้ดีมากครับ ซาโยริห ah ิมอายาตินาฟิลอาฟาค์ว่าฟีอัลฟุเซหิมอวัลามยาฟีบิรับบิกะอันน้าหูอัล a าคุลิเศน شهيد ท่านุร ah ีหิมอายามอาว i ลัมยักฟีบรั n ไดนะ หัตตายตาบายอยนาลหุมอันหุลฮับกุอัข้ามมีคนเห็นยังไหมอย่าอวดดิต้องเตือนกันสานุรีหิมแปลว่าเราจะแสดงให้พวกเขาเห็นจะแสดงให้เห็นอัลลอ์เล่านะ วันนี้อิสลามถูกตำหนิเยอะมากแล้วก็อลัลลอฮ์เนี่ยสร้างดวงอาทิตย์มาดวงจันทร์มาดัานไปกราบสร้างต้นไม้ไมาใหญ่ๆดันไปขอหวยและอา้าสีแดงสีขาวสีเขียวไปพันอลัลลอฮ์เล่าบอกว่า พวกเองมาทำผิดเยอะมากผิดขนาดนี้เนี่ยยังไม่ทำลายทรงอิสลามมาสมมุหัมมัดมามาสอนนี่พันสรอปีแล้วยังด่าอิสลามอยู่เลยฉะ <c oughs> นั้นเมื่อด่าอิสลามเ้าก็ให้เห็นละให้ตาคุณได้เห็นซานุริหิมในไไม่ช้าเราจะแสดงแก่พวกเขาอายาตินา ซึ่งสัญญาณทั้งหลายของเราอะไรบ้างแผ่นดินแนนม่น้ำภูเขาดวงอาทิตย์ดวงจรรันทร์กลางวันกลางคืนเราจะให้เห็นทีละน้อยละน้อยละน้อยละ น, อละนอ้อยอเช่นสังเกตต้นไม้เนี่ยมันจะออกผลตามฤดูกาลใช่หรือไม่ใช่แล้วทั่วโลกออกเหมือนมั้ย มันก็นหมดเลยอ่ะถ้าต้นไม้พันุ์นี้นะอย่างมะม่วงเนี่ยถ้าออกก็ออกในอินเดียก็ออกมองไทยก็ออกยญี่ปุ่นออกฟิลิปปินส์ออกออสเตลยทั่วโลกเองได้ข้อคิดอะไรบ้างไม่ได้เลยเลยอะเองเป็นคนไทยไงอีกคนมีนคนมุสลิมเนี่ยฟิลิปปินส์กับญี่ปุ่นมันแตต่างกันตรงไหนตกต่างครับแค่แค่แค่ภาษาแล้วภาษาใครให้ ต้องใช้ปัญญานะต้องนึกโอ้สานูริห์เราจะอะไรนะจะแสดงให้พวกเขาได้เห็นซึ่งสัญญาณทางหลายของเราต้องใช้ปัญญาถึงจะนึกออกถ้าไม่ใช้ปัญญาณนึกไม่ออกให้เรากับคนเวียด น, นามหน้าตาคล้ายคร้กันจมูกเบล์แบ น, เ, นเอ๊ะทำไมคุณพดคดนคนละภาษา แต่วลาไปมัสยิดเหมือนก็นหมดเลยใช่หรือไม่ใช่สุญูธาเดียวกันนมาธาเดียวกันเดือนรอมฎอนมาบวกเอ๊ะแต่ทำไมดุลยามันไม่เหมือนกันเพราะอาะไรต้งนึกครับซานุริมในไม่ช้าเราจะแสดงให้พวกเขาซึ่งสัญญาณทางหลายของเราให้เขาเห็นฟิลอาฟากในานานาเขตอันใกล้พ้นอาฟากแปลว่าอะไรนะ นานาเขตอันใก ล, พล้พ้นมาถึงในต่างถิ่นในที่อื่นๆไ่้ตับซิศอธิบายอย่างนี้นะครับอุฟุกเนี่ยแปลว่าในโลกในอาลัมเวิล์อาฟากเนี่ยมาจะมาจากเป็นยามาของอุฟุกอาฟากุนอุฟุกุนแปลว่า ในอาลัมในโลกในตับซีรอัอาซานุลบายานเป็นภาษาอุดูพิมพ์พินดวัวเนี่ยแปลว่าในโลกให้เห็นในโลกแล้วก็ต่อมาครับวาฟีอัมฟุซิฮหมและในตัวของคุณคุณจะค่อยๆเห็นที่อยู่ในตัวคุณเนี่ย เมื่อก่อ น, นเราเคยเห็นไส้พูงใช่ไหเดี๋ยวนี้เริ่มเห็นแล้วนะมีนุ่นมาอะไรมาแล้วให้เห็นเท่เา น, น, นี้ใครให้ถามจริงๆความสามารถของเองหรือไม่ใช่ให้เครื่องมือมาปัญญาให้เครื่องมือมาอาลัลลอฮฺตัวนูน้นตัวนี้เดี๋ยวนี้เจอลงเจอเลือดอะไรแต่อะไรของอลัลลอฮฺทั้งหมดอลัลลอฮฺเล่าให้ฟังเพื่อไม่ให้ลืมอะเตือนหมอด้วย เตือนนางพยาบาลด้วยแต่เตือนตัวเราเองด้วยเอ้ยอยังนีเป็นตัวเดี๋ยวนี้เรารู้เยอะนะผละไม้นี่แก่นี่ผลไม้นี่แก่นี่นี่ใครให้อะอคนเป็นเบาหวานควรควรคว ร, ควรกินอะไรนี่มาจากไหนอ่ะนี่ไงว่าฟรีฟู๊ซิมในตัวของคุณคุณก็จะรู้เองอ นี่รู้เรื่องเฉพาะดุนยาหมดเลยนะแต่ไอเรื่องอ ok, ัลลอฮ์รอสูลนรกทำไมไม่เรียนรู้บ้างอะเรียนรู้เรื่องถ้าเป็นบาหวานไม่กินไอนี้ถ้าเป็นไขมันเยอะไม่กินไอนี่แต่วิธีปกป้องคนมาให้ตกนรกดันไม่เรียน <c oughs> มันมันน่าหลอก <c oughs> นี่เลาเตือนแล้วเตือนอีกนะสานูริหิม ในไม่ช้าเราจะแสดงให้พวกเขาเห็นอายาตินาสัญญาณทั้งหลายของเราฟิลอาฟาในนานาเขตในโลกในโลกนี่แหละอาฟากมาถึงฟิอาเลมนะและยังไม่พออีกว่าฟีอัมฟูสิฮิมและในตัวของพวกเขาเหล่านั้นเขาจะได้เห็นเลยแล้วจริงมจริง โรคโควิดมาสายอะไรนะผมอ่านสาย a อหนึ่งกับเออะไรบสองบวกกันออกไอ้นี่รู้หมดนะในเรื่องในตัวท่านรู้แต่เรื่องอัลลอฮ์ไม่รู้สักคน <c oughs> ออาต่อมาครับ ต, ตับซึ่งอธิบายอย่างนี้นะครับคาว่บฟิลอาฟาในโลกนี่นะ อิสลามเป็นศาสนาเดียวไอ้ไอ้เพชรทองฟังละโมโหนังานเนี้เป็นศาสนาเดียวในโลกครับอุณอับาาอย่างนี้นะครับผู้ที่อัลสลระซลัลฮฺบิลฮุดวะดีิลฮักิลิยุฮิรุฮอดีนกุลลิฮวะลาอกะริฮัลกาฟิรนสุรตาบะสุรัติกาอายะที่สามสาพนไปเช็คด ah ูแปลว่าอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงรูลของพระองค์ นบีมุฮัมมัดนำเอาฮูดาทางนำที่ถูกต้องมาจากอัลลอฮ์แล้วก็วาดีนิลฮักเตแล้วก็เป็นศาสนาที่จริงสบายใจไหมอิสลามเป็นศาสนาที่จริงครับนบีพามาแล้วก็ลิยุสซาฮิรัฮูอัลดันดีนิคุลียุสคือแว่ชนะ ศาสนาทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกโอ้โหนี่กล้าพูดถึงขนาดนี้อลัลลอฮ์เล่าให้นาเบลมัดฟังนันมมัดทำศานสนาไปเลยอิสลามชนะอยู่แล้วเห็นไหมแล้วกูอะไรวันนี้คนเริ่มถือสินอดต้องการจะให้สุขภาพดีหันมาจะว่าสยามกลัวจะเสียหน้าฟาสต์โอ้สาวมันโก้ เอาฟาสติ้งไปเอาฟาสไปต้องอดนั่นอดนีนสุขภาพจะดีเห็นนี่ยังะของกณอ่านทั้งหมดทอนนี้เราไม่ใช่ถือไม่ใช่ถื อ, ถอบวชอย่างเดียวต้องถือปลา่าโภชัยก็ไม่ได้สมองความคิดต้องเปลี่ยนหมดนีนินทาคนด่าคนทะเลาะกับคนโอ้โหเลิกหมดอิสลามสอนดีมากเลยละฮัมจุลิเลยนะรอยู่ที่ตัวเราอะ ถ้าไม่เรียนมันไม่เจอนะต่อมาครับตกลงว่าอิสลามจะเจริญไหมวาเลาวกาดิฮัลกาฟิรูนถึงคนกาเฟจะทิ้งชังแค่ไหนก็ตามจะรวมตัวกันทั้งหมดโลกนี่แหละแอนตอ์อิสลามไปไม่รอดครับอิสลามจะยุทธศาจะเหนือผมก็ไม่กลาพูดจริงไหมจริงครับราวันนี้ครับ ทั่วโลกทั่วโลกนะถ้ติดตามข่าวอ่ะโักวัลแล้วค้ดแอนตี้อิสลามอัลลอฮ์ก็ลงโทษบัวันวายวันอ่ะไม่ใช่ลงโทษแบบหมูนะเพราะอัลลอฮ์สัญญาเอาไว้ค่ะฉันจะไม่ลงโทษบ่าวของข้าเองที่เขาด่าฉันด่ากุรานด่านะบีฉันไม่ลงโทษตัวแต่อิสลามจะช น, นะไปะดูที่สันติชนเนี่ยวันลสเท่าไหร่รับอิสลามอ่ะ ที่ผ่านผมเนี่ยผมไม่เคยน้ำาไม่เคยเทึกผมผ่านบันทึกอ่ะเนพันอ่ะอาทิตย์นึงผัมาแล้วเดือนนึงกับผัวม า, าสอนก็เลิมให้หน้อยห้ามดุเรืา่าเราไปที่ที่ศูนย์กลางใช่ไหมคือผู้หญิงคนหน่งวันนั่นน่ะรับอิสลามอ่ะนางผลกับพี่เฉลิมเนี่ยสอนมุสลิมาอายุเท่าไรสสิบเป็นเป็นนางพยาบาลเป็นหมอได้อย่างเนี่ย น, นแล้วนะพนจามภาพนี้ได้ ต, ต, ต้อีมันตัวเอาตอมาครับ อาวาลัมไมใ่ใช่อต่อมาครับฮ <c oughs> ัตตายาตบายานาละหุมจนกระทั่งเป็นที่แจมแจ้งอาละหุมแก่พวกเขาอันหนุลฮักแท้จริงนั่นเป็นเรื่องจริงที่รับอิสลามกันวันนี้นี่นะพ่อเขาพิสูจน์แล้วว่า อิสลามจริงนี่อิสลามเป็นอย่างี้หลังจากใช้ปัญญาพิสูจน์แล้วเป็นเรื่องจริงหมดเลยค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยๆมาแต่จะลืมนะเราต้องเป็นบุคคลตัวอย่างนะอ่าบเีเป็นบุคคลตัวอย่างสุฮานบบีเป็นบุคคลตัวอย่างบบานนาคคลอลยัียังไม่เพียงพออีกร อ, รอัลลหอัลลถามนะอาาลยักษี ยังไม่เพียงพออีกหรือบิรับบิก้าพระผู้อภิบาลของสูเจ้าอันนะฮูแท้จริงพระองค์อลากุลลิชายินชหฮิตชัฮิตแว่าเป็นพรยานแท้จริงพระองค์ทรงเป็นพรยานเหนือต่อทุกๆสิ่งที่อยู่บนโลกใบนี้ไม่มีใครรู้เราแอบทำความ ทำความดีคนเดียวใครรู้อ๋อเป็นพยานพอแล้วอย่างนี้เป็นต้นโอ้เรื่องเป็นพยานนี่มีหัดยุสอธิบายเยอะนะครับเอตาต่อมาอายะสุดท้ายอัลาอินน่าฮุมฟีมิรยติมมิลลิกาอิรับบิฮิม أنه ألا إنه ُ بكل شيء محيط ألا إنهم ُ في م ي ر ة ٍ م ل َ ا ء ربهم ِّ ألا إنه ُ بكل شيء محيط อายะสุดท้ายนี่ดีมากครับคนที่ไม่เอาโลกอาคีรัเนี่แลวไม่เชื่อโลกอาคีรัศ์คนที่ไม่เชื่อว่าตายแล้วฟื้นเนี่ยเอาลเล่เาเองคนนั้นอยู่ยนทสภาพไหนอาลาจงรู้ไวเ้เถิดอินนาฮมุมแทจิมพวกเขาฟีเมริมรยาติน อยู่ในความสงสัยคนมุสลิมเนี่ยเรื่องสงสัยไม่มีธรรมาตายไหมตายฟื้นไหมฟื้นถูกสอบที่กุโบไหมถูกครับอัลลอฮ์ามาเอาวิญญาณจริงไหมจริงครับสอบกี้เรื่องในกุโบรเราเรีย้อเราเตรียมตัวไปแล้วมาระบุกะมาันนาบีอยู่กั มันอีมามุกเราเราเตรียมตัวพรอหมดแล้วแต่ที่อัลลอฮ์เป็นห่วงเป็นห่วงคนอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ในความสงสัยอ่ะไม่รู้ว่าตายแล้วจะไปไหนอ่ะมาเลยกล้ามาสอบกิงหรือเปล่ายังสงสัยหมดเลยเป็นหน้าที่ของพวกเราต้องนำอิสลามนี่ไปบอกอาลาัจงรู้ไปเถิดอินนะหุมแท้จริงพวกเขานั้น ฟีมิรยาตินอยู่ในความสงสัยเรื่องของเราแท้ๆยังสงสัยอีกเลยเรื่องชีวิตเราเนี่ยยังหาทั้งออกไม่เจอเอีกเลยอัลลอฮ์องบนต้องนึกเป้าหมายชีวิตเราคืออัลลอฮ์ สวรรค์มีไหมมีนรกมีไหมมีกุโบมีไหมมีแต่ว น, นกุโบเจออะไรถ้าอ่านจากฮะ ด, ดีสมีไม้มีคอน์ดในรูอนกี่ปอนก็ไม่รู้เรามีงูมีตะขาบเราไม่สงสัยเลยมีแน่ครับแต่คนที่สงสัยอะ่ะจะเป็นไงกามเนี่ยรอแล้วเองเลิกสงสัยได้แล้วทันบเรียนอิสลามซะ อจจงรู้ไปเถิดอินนาหุมแท้จริงพวกเขานั้นฟีเมริยะสงสัยอยู่ในการสงสัยรู้ไหมเรื่องอะไรลิกอีพบอัลลอหฺพบพบปะลิกอี รับเบิมพระผู้อาภิบาลของเขาอัลลอฮฺอัลลอฮฺถึงฟาโรบนพูดแล้วว่าอามันตูฉันเชื่อแล้วว่าอัลลอฮ์มีตอนวิญญาณมาถึงเขหอยอามันตูกับลีโกอารอบบีนอ่สับใคยๆกันพบพระผู้อภิบาลของเขาแล้วพูดจะไปพูดว่าอามันตุฉันเชื่อแล้วว่าอัลลอฮ์มีจริ้งวันนี้อัลลอฮ์มองเรามองอัลลอฮ์ไม่เห็นน่ะ อย่าลืมนะแต่โอกาสเห็นอัลลอฮ์มีไหมมีครับนี่เรื่องเห็นอัลลอ์เนี่ยละอัลลอ์มีกับไม่มีเนี่ยคนกาฟเฟดยังสงสัยอยู่เลยแก็สงสัยดีอะมันต้องเคลียร์ให้หมดหัวใจเราจะต้องเคลียร์กับนะอัลล อ, อ์เอาต่อมาครับอ า, าจงรู้ไว้เถอะ อินนุ์บุคคลชัยมูฮิตมูฮิตแปลว่าล้อมล้อมรอบเอาไว้แล้วล้อมรอบอัลลอฮ์เนี่ยล้อมล้อมคนที่สงสัยเรื่องวันเกียมรติว่าจะพบอัลลอฮ์ไม่พบอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ล้อมไอ้มะเลยกาล้อมเรียบร้อยหมดแล้วแต่มองตามองไม่เห็น โอ้ถ้าเห็นนะมันกลับตัวกันหมดแล้วยาเลือ ม, มาโมเหตรี้วลอ้ลอมล้อมาเรยวล้อมหมดแล้วแต่ทำไมไม่รีบลงโทษล้อมเอาไว้ก่อนแล้วก็ไปลงโทษตอนวิญญาณมาถึงคอหอยมีคนส่งไลน์มาให้ผมคนยนยหฮดีกลัวมุสลิม ที่กลัวเนี่ยรูะมุสลิมอ่านอลัลกุรอานและกุรอานเป็นคำพีเล่มเดียวที่ให้ให้คนฉลาดนี่เราพูดเรื่องตายเราฟืนนี่ฉลาดแล้วนะแล้วคนที่สงสัยฉลาดหรือไม่ฉลาดแค่นี้ก็ตายไม่รอดแล้ว ฉนันยาฮูดีต้องการที่จะที่กลัวนะ่ะกลัวมุสลิมอยู่กลุ่มเดียวพอเด็กมุสลิมเริ่มนามา ต, ตั้งแต่อายุเท่าไหร่แล้วเราเนี่ให้ลูกอ่านกราฟให้ได้อยุเท่าไหร่ห้าหกขวบแล้วอะไรใช่ไหมพ่อนบีสั่งบอกว่ามูรุอาลลาห์ดับบุญบิศซลาจงสั่งให้ลูกๆของท่านนามาเมื่ออายุเจ็ดขวบ เราเริ่มให้ลูกอา่านกูอานแต่อายุเจ็ดเจ็ดขวบยาวุีิมันกลัวครับเพราะกอานทำให้สมองสลานะแล้วก็หลองยากแก่นั้นคนที่ไม่อ่านกูอานเนี่ยหลอก ง, ง่ายแล้วก็วัดริบุหุมวะหุมอับนาอีอาชรแล้วก็ให้ลงโทษลูก ตีค่อยๆ ย, ยกสูงๆตีเบาๆเมื่ออายุสิบขวบฮัดิสนี้แต่หางที่ยิวกลัวมันต้องการจะรอคนอ่ะมันก็ได้ไปก็เยอะเหมือนก <c oughs> อันที่กลับตัวมีไหมมีครับจากนั้นสิ่งที่มันกลัวคือกลัวกูรานครับอยากจะทำลายกูราน กูอานทำลายไม่ได้เพราะอลัลลอฮ์รักษาเองใช่ไหมก็ทำลายคนเนี่ยอ่าอย่าเรียนศาสนาอย่านุน่นอย่านุน่นอย่านุนาน่นอยู่อย่างงี้แหละเอาบาร์มาเอาในคขับมาเอาเต้นรํามาเอานุ่นมาละครมาย้อมสมองแต่เราก็สอนแตนยมัสยิดเนะี่ยอย่าดูละครนะ <c oughs> อย่าเที่ยวบาร์ในขับนะให้อ่านคุรานทีกุรุล้ะนะอนะดองดอมากระตือตลอดเวลาใช่ไห ท่านศัตรูของอิสลามเนี่ยกลัวกูวอิสลามแ ล, ล้วกลัวอุปรานเพราะอุปราชนี่ยิ่งอ่านเท่าไหร่ยิ่งฉลาดฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นฉลายขึ้นฉลายขึ้ น, นอภิรักษ์ก็ขวว อ, อนุญาตตลอดนะครับให้เดือนละมาอลเนี่ยเป็นเดือนที่ประเสริฐแล้วก็เราต้องบริจาคเยอะให้ทำเจ็ดข้อนะเน อ่านกุรานสม่ำเสมอทุกวันสอมนมามัยญาคาดสามให้บริจาคสม่ำท่นนี้จะบริจาคให้ละสินอดแต่ผลบุญเยอะนะวรพันบาทอันนั้นามหาหาพัา ย, ยาคารอีก2 5 0 0มห้าแต่ค่อยๆมาอัผมมั่นใจว่าเราโบโชงมามั่นใจแล้วก็บริจาคสม่ำเสมอข้อที่สี่ขอดาอาเยอะๆข้อที่ห้าซิกุรุลลเยอะๆข้อที่ห อย่าทะเลาะ ก, กับพ่อแม่ตัวเองอย่าทะเลาะ ก, กับคนในครอบครัวข้อที่เจ็ดให้อาภายัยให้อภัยยิ่งให้อาภัยนี่แหละคนกาเฟสทําไม่ได้ฟีมิริยาอยู่ในความสงสัยให้ว่อาภาัยกูได้อะไรมันเสียหน้าแต่อิสลามบอกว่าเองได้หน้าอย่าทะเลาะ ก, กับพ่อแม่ตัวเองนะทะเลาะ ก, กับคนนี่อิสลาม เราดูในสังคมของเราเละเทะไปหมดเลยอ่ะขอดุอาตอนลังให้อิสลามไปอยู่ในครอบครัวของเรา س าน ا กัลลอฮุมมันวะบิฮัมดิกะจุลัยลลาอิลลาอัลลอฮฺอัสลามุกวะตูบิลลาอิลสมอในบ้าน